รถแห่งธรรมเลิศกว่ารถโทษป่วงเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดอย่างเดียวให้มีสติสบายสม่ำเสมออยู่ภายในนะเดี๋ยวมันก็จะถูกส่วนไปเองนั่งให้นิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมเดี๋ยวก็ทากันได้ทุกคน มันยากแต่ไม่มากยากพอสู้ด้วยความเพียรอย่างถูกหลักวิชาด้วยฉันทาคือรักที่จะทำเพราะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าทำแล้วมีความสุขมีปิติความเพียรเขาจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามความเพียรจะเกิดขึ้นมาใจจะจดจ่อทั้งวันทั้งคืนในทุกกิจกรรมมันอยากจะทาให้ได้อยากจะเข้อถึงอยากให้ดีกว่านี้ แล้วก็จะค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆว่าทำอย่างไรถึงจะหยุดดิ่งได้สมบูรณ์จะเห็นได้ชัดใสสว่างเข้ากลางคล่องนี่อิทธิบาทสีก็จะมาตอนนี้ละ่ะสิ่งนี้มีความสำคัญกับชีวิตเรามากๆถ้าทำได้ทำเป็นจะเห็นภาพภายในก็จะอัศจรรย์ใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า คำแนะนาสั่งสอนของท่านช่างดีเลิศประเสริฐจริงๆที่ทำให้เราไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวซึ่งเป็นแผนผังในชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะยิ่งอัศาจรรย์ใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นมาได้อย่างไรท่านรู้เห็นแล้วทาไมท่านไม่ห่วงนะกลับให้คำแนะนำที่ดีๆ ให้เราได้เข้าถึงอย่างท่านดีอย่างท่านเก่งอย่างท่านปกติคนเราจะหวงความรู้ที่จะให้คนอื่นเก่งเท่เทากับตัวหรือเหมือนตัวแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่หวงและยังสอนให้เห็นตามท่านอีกด้วยและจะอัศจรรย์ใจอีกเพราะเข้าถึงแล้วรู้รสชาติของการเข้าถึงว่ารสแห่งธรรมชนะเลิศกว่ารสทั้งปวง รสเปรี้ยวหวานมันเค็มที่มีผกระทบรสอาหารเครื่องดื่มสู้รสแห่งธรรมไม่ได้หรือรสชาติของการได้เห็นของสวยๆทำงามทำให้ใจปลืม้มก็ยังสู้รสที่เห็นธรรมภายในไม่ได้เลยหรือรสชาติที่ได้ยินเสียงเพราะๆชวนให้สนุกสนานเบิกบานยังสู้รสของการเข้าถึงตรงนี้ไม่ได้เลยหรือรสชาติของกลิ่นหอมหอมที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ ยังไม่สู้การเข้าถึงธรรมตรงนี้ซึ่งมีรสชาติในการให้ความพึงพอใจมากกว่านั้นหรือรสชาติแห่งการสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลเสื้อผ้าหรือการพิเลตเพศสมพั์หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นมันสู้รสชาติในการเข้าถึงธรรมตรงนี้ไม่ได้เลยมันเบิกบานกว้างขวางกว่ากันเยอะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารม ซึ่งมีรถมีชาติทําให้มนุษย์ตรึงติดเอาไว้เมื่อมาเทียบกับรสชาติในการเข้าถึงธรรมแค่ธรรมเบื้องต้นทำมานุษย์ปเสนาสติปทานก็เลิศประเสริฐกว่าแล้วยิ่งเข้าถึงดวงศีลดวสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะก็ยิ่งเพิ่มพูนทัพทวีขึ้นไปยิ่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดยิ่งมีรสชาติหนักเข้าไปอีกเข้าถึงกายทิพย์พรมอรูปพรม กระทั่งถึงกายธรรมมีรสมีชาติเลิศขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเถาปิ่นโตหลายๆชั้นเปิดชั้นแรกมีอาหารว่าอร่อยแล้วยกชั้นแรกออกไปชิมชั้นที่สองอร่อยเพิ่มขึ้นยกชั้นที่สองออกไปชิมชั้นที่สามอร่อยหนักเข้าไปอีกนี่ตั้ง18ปดชั้นรสชาติก็จะยิ่งอร่อยขนาดไหนยิ่งเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นอันดึงอันเดียวกับกายธรรมก็จะอุทานเหมือนพระมหา กับปีนะโอสุขจังเลยคือพึงพอใจจังเลยชอบจังเลยนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้ในชีวิตนี้ไม่ได้ก็ยอมตายละ่ะสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายก็มันต้องตายกันอยู่แล้วก็ต้องทำกันไปก่อนที่เราจะตายต้องให้ไปชิมรสชาติของธรรมกายซะก่อนว่ามีรสมีชาติเป็นอย่างไรถ้ารู้รสชาติของการเข้าถึงธรรมกาย ใจจะผ่องใสไม่เศร้าหมองมีสุขตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วยิ่งสุขยาวนานกว่าในสุขติโลกสวรรค์นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องฝึกกันให้ได้อย่าไปให้ความสำคัญกับกิจอื่นมากเกินไปบริหารเวลาให้เป็นเวลาจะดูหนังดูละครจะเที่ยวเตรสนุกสนานเอามาทำตรงนี้ทำเป็นแล้วจะสนุกกว่าดูหนังดูละครเสียอีก ส่วนข่าวคราวเราก็ติดตามได้เลือกส่รเฉพาะที่จําเป็นต้องรู้หรือควรรู้ข่าวอะไรไม่ควรรู้ไม่ต้องรู้เราก็ผ่านไปนี่บริหารเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่อย่างจํากัดนี้ให้เป็นถ้าข้อถึงธรรมกายแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างผาสุขสุขทั้งๆ ท, ท, ที่มีชีวิตอยู่นี่แหละสุขอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียว ให้ชีวิตนี้ได้มีโอกาสเปล่งคาว่าสุขจังเลยชอบจังเลยพึงพอใจจังเลยให้ได้รู้รสรู้ชาติกันอย่าไปทอดถอยในยามที่เรายังทำไม่ได้ขอให้ได้ทำเถอะเดี๋ยวเราก็จะทาได้มันก็ค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆได้สอบขัสที่ละเอียดกับสภาวธรรมที่เข้าถึงไปเรื่อยๆฝึกไปทำไปมันสังเกต แล้วก็หมันสังเกตอย่านั่งโดยไม่สังเกตสังเกตหมายถึงเออวันนี้นั่งแล้วรู้สึกดีจังเลยสบายจังเลยเราทำอย่างไรให้จาวิธีการเอาไว้ทำอย่างนี้แล้วไม่ฟุง้งไม่ง่วงทำอย่างนี้แล้วมันแค่ไม่แคบไม่อึดอัดไม่มึนไม่ซึมไม่ตึงทำอย่างนี้แล้วสบายทำอย่างนี้แล้วเบิกบานทำอย่างนี้นั่งแล้วรู้สึกว่าเวลาหดไปเร็วเหลือเกิน อยากนั่งอยู่นานๆก็สังเกตเอาไว้เราทําอย่างไรจึงได้ยอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าภาวิตาภาบุรีกาตาทําบ่อยๆทำเนืองๆทาซ้ำๆณจุดที่ทําต้องสังเกตนะสังเกตอย่างนี้ดีอย่าไปสังเกตจ้องจับผิดใครอย่างนั้นไม่ดี ไม่เกิดประโยชน์อะไรหมดเวลาแล้วมาสังเกตตรงนี้ดีกว่าว่าเราทำถูกไหมหรือยังไม่ถูกหรือถูกแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์หรืออย่างนี้สมบูรณ์พอสังเกตอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งดีจะรื้ออกรื่มใจจะมีปิติมีความภาคภูมิใจว่าคนทลเลอทล่าอย่างเราก็ทำเป็นกับเขาเหมือนกันนะเลยเผลอไปไม่ทาเว้นไปสองวันสามวันไปให้ความสาคัญกับเรื่องอื่น พอมีอารมณ์ก็กลับมาทำใหม่อ้าวไม่ได้อย่างเดิมซะแล้วนี่อย่าชะล่าใจนะเรายังฝึกใหม่อยู่แม้จะฝึกมานานแค่ไหนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีแล้วก็ตามก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกใหม่อยู่ยังไม่ชำนาญแม้คนที่ทำชำนาญแล้วเขายังทำซ้าๆกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนี่ต้องอย่างนี้แล้วจะทาเป็น ทำเป็นแล้วจะมีความสุ ข, สขมากๆชีวิตเกิดมาในชาตินี้ก็สมหวั ง, งจะทําบุญทําทานรักษาศีลจะมีนสสงมากยิ่งกว่าธรรมดาทําน้อยได้มากทํามากก็ยิ่งทัพทวีเพราะว่าเราทําด้วยใจที่ละเอียดที่บริสุทธิ์ที่หยุดนิ่งนี่หลักวิชาสำคัญต้องจำให้ได้ทีเดียวมันสังเกตให้ดีนะ ให้เราทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัะตนตรัยในตัวกันทุ ก, กทุกคนต่างความต่างนั่งกันไปเงียบๆนะ